ทนต่อความเพ่งพินิษฐ์อยู่ฉันทะก็ย่อมเกิดเมื่อฉันทะเกิดแล้วย่อมอุตสาหะเมื่ออุตสาหาแล้วก็ย่อมไตร่ตรองเมื่อไตร่ตรองแล้วก็ย่อมตั้งความเพียรเมื่อตั้งความเพียรแล้วย่อมทําให้แจ้งซึ่งบรมสัจจะคือเห็นแจ้งในทุกสมุทัยนิโรธมรรคและเห็นแจ้งบรมสัจจะแล้วคือก็จะได้ แทงตลอดปรมตทสัจจะคือพระนิพพานด้วยปัญญาจะได้อนุปาทาปรินิพานเสียทีปัญหาคือว่าถ้าศรัทธาไม่เกิดนะถ้าเบื้องต้นไม่มีศรัทธาเลยนี่นะหรือตั้งศรัทธาไว่ผิดเนี่ยนะนะการเข้าไปใกล้มันมันก็ไม่ใกล้อะมันนั่งอยู่เนี่ย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 การอุตสาหาการไตรตรองการตั้งความเพียรนั้นๆไม่มีแล้วถ้าสิ่งต่างๆเหล่านี้ไม่มีแล้วตั้งแต่สตาเธอทั้งหลายย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดพลาดย่อมเป็นผู้ปฏิบัติผิดย่อมเป็นผู้ห่างไกลจากทำวินัยนี้ความพ้นทุกข์ไม่มีแกเธอทั้งหลายความพ้นจากสังสารวัฏไม่มีแกเธอทั้งหลายจบเลย มองเห็นไหมนี่เป็นอย่างนี้ก็ก็พ้นทุกข์ไม่ได้ก็ท่องเที่ยวไปมาก็เป็นเาเรียกสัตว์ที่ยินดีในวัตะต่อไปแต่ร้อนจริงโว้ยก็บอกว่าวนันทุกข์มากทุกข์มาก สมหวังผิดวังเศร้าใจเสียใจดีใจได้ลาบเติมลาบได้ยศเติมยกกว่ากันไวนะ้เนนี่มาท่องเที่ยวไปมาอยู่ใช่ไหม <c oughs> เรยอย่างนี้ที่นี้ว่าก็คือว่าฉะนั้นภาวะที่ไม่รู้ไม่เข้าใจสภาพธรรมตามความบินความล่มหลงเชื่อมโมหนะเนาะวิชานี่จะแทงเนี่ยแทง ก็ไปทิมไปแทงโมหะคือธรรมที่เป็นปฏิปักษ์ฉะนั้นแสงสว่างที่เกิดขึ้นเนี่ยกำจัดความมืดชั้นใดวิชาคือตัวปัญญาเกิดขึ้นก็กําจัดโมหะคือความมืดบอดให้สิ้นไปฉะนั้นโมหะนี้บางท่านเขาเรียกว่าวิชาเพราะเป็นไปเพราะตรงกันข้ามกับวิชาใช่ไหมถ้าเราเรียนวิชาแปดวิชาของพุทธิยานี้นะเกิดขึ้นมีเป็นปฏิปักษ์โมหะเป็นปฏิปักษ์ต่อวิชาเพราะโมหะอีกชื่อหนึ่งก็คืออวิชา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 ปุบเพนิวาสานุสติยานปัญญาที่เป็นละเอียดถึงการระลึกชาติเป็นต้นก็ไปดูเนาะในพระวินัยก็มีในสมันออในในวินัยเล่มแรกเลยนะในวินัยเล่มเลยภาวะเพระวสูตรก็กล่าวในมัชมันนิกายก็ตัดไว้เยอะหมดในะที่ตัดเรื่องเรื่องวิชาสามนี่เนาะคือปุบเพนิวาสานุสติยานเนี่ยนะ ที่บอกว่าระลึกชาตินเนี่ยนะระลึกชาติได้ในพวกเดรัถย์ก็ระลึกได้แปะได้สี่สิบกลับไม่สามารถระลึกชาติให้ยิ่งไปกว่านั้นเพราะเหตุนั้นสมาธิของพวกเดรัถย์มีกําลังอ่อนเนื่องด้วยปัญญาที่เกิดขึ้นนั้นปราศจากการกําหนดนามรูปไม่มีวิปัสนาปัญญาดงนั้นพวกลึถิพวกเดรัถย์น่คนก็ยิ่งระลึกก็ยิ่งมืดบอดเพราะเขาไม่มีวิวิปัสนาปัญญา การระลึกของเขาก็เป็นการระลึกเพิ่นเห็นสัตว์เกิดสัตว์ตายก็เลยไม่ได้ประโยชน์ยิ่งระลึกมากก็ยิ่งสร้างโมหะมากเพราะการท่านต้องบอก ว, วิชาเนี่ยใดที่เราเรียนยิ่งเรียนรู้มากถ้าท่านผู้นั้นไม่มีวิปัสสนาปัญญากำกับการรอบรู้วิชาเหล่านั้นเป็นวิชาที่สร้างโมหะเป็นการเพิ่มอาหารของโมหะ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 มิจฉายานะคือตัวโมหะแท้ไม่ได้ไม่มีมฮะก็ตัวโมหะก็ตัวมิจฉายานะไงก็ตัววิมันเหมือนสภาพที่คล้ายปัญญา ก็ช sure ีฝึกก um um um ็มีโมหาแวดล้อมมีโมหาแวดล้อมมากหนาแน่นด um um ้วยโมหะก็สี่สิบกลับแต่ระลึกได้แล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์เลยไงยิ่งกลายเป็นโทษกับเขาไปเลยเพราะเขาเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลหมดเลยยิ่งระลึกมากก็ยิ่งความเป็นสัตว์บุคคลมากขึ้นยิ่งระลึกมากก็ยิ่งเห็นด้วยความเป็นสัตว์บุคคลมากขึ้น ไม่ได้เห็นความเป็นจริงของขันธ์าตุยตนะที่กําลังหมุนใบไม่เห็นสังสารวัตรแต่เห็นด้วยความเป็นสัตว์เกิดสัตว์ตายถ้าจะเห็นด้วยความเป็นเป็นโดยความเป็นธาตุของเขาก็กลายเป็นธาตุที่เป็นกลุ่มสัตว์สตาถิทีเขายิ่เห็นโดยความเป็นไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลก็เตลิดไปซะอีกการที่ไม่มีวิชาที่ถูกต้องเป็นวิฉาญานะเป็นอย่างนี้ ถ้ามหาสาวกก็มหาสาวก80องค์นะมีพระมหากัดสป่าเป็นต้นก็ระลึกชาติได้แสนกับเนาะอัครสาวกข้างสองก็หนึ่งสงไข่พระประเจกพระพุทธเจ้าก็ระลึกได้สองส่วนพระสัมมาสัมพุทธเจ้านะั้นระลึกได้แบบไม่มีขอบเขตจุตูประปาตยานก็รู้จุติและปฏิสนธิคือการเคลื่อนนี่นะการการอุบัติการตายการอุบัติปัญญาที่กาหนดรู้จติปฏิสนธิของสัตว์น่นะนะ มีความประนีตมีความเร็วซามต่างกันผิวพรร์หยาบเป็นต้นนี่เข้าถึงอบายทุกติวินิบัติหรือเข้าถึงสุคติโลกสวรรค์แล้วก็อาสวะขยะยานก็ทำอาสวัยสิ้นเป็นต้นในอัมพัททสูตรในคำพีทีขนิกายศีรขันธวัชไปดูท่านจะกล่าวเขาไว้ในวิปัสสนาญาณมโนมมโนมยิทธิญาณ อิทธิวิทยานทิพโส ต, ตายานเจโตปริยญาณเป็นต้นอัตถกถาของขุทัการนิกายปฏิสัมพิธามมัคก็จะกล่าวเรื่องของอธิบายขยายความเจโตปริยญาณเขาไว้เนาะปุเพนิวาสานุสติยานจุตูปปาตยานอาสะวะขยญาณเป็นต้นนะก็ขยายเยอะแยะหมดจะไม่ลงไปในรายละเอียดแต่สรุปตรงนี้เลยว่านะสรุปตรงนี้เลยก็คือว่าวิชาของพระผู้มีพระภาคเจ้าของสาวกของพุทธเจ้านั้น เป็นวิชาที่มีวิปัสนาญาณนำหน้าฉะนั้นเมื่อมีวิปัสนาญาณนำหน้าวิปัสนาญาณไปด้วยแวดล้อมอยู่ตลอดยิ่งระลึกก็ยิ่งเห็นคุณเห็นโทษของสังสารวัฏแล้วก็เห็นความเป็นไปของกระแสขันที่วิจิตแต่ไม่ติดข้องในกระแสขันเหล่านั้นแม้กระแสขันของตนเอง เพราะท่านเหล่านั้นเป็นผู้ที่มีวิปัสสนาญาณแวดล้อมชัดเจนแล้วสาวกหรือเราท่านทั้งหลายถ้าจะรู้เรื่องญาณทั้งหลายก็ขอให้วิปัสสนาญาณนั้นเป็นตัวนำหน้าตามเยี่ยงอย่างเดินตามรอยบาทรพระศาสดาอย่างนั้นถึงจะไม่หลงทางถ้าอย่างนั้นในสุดจริงๆเราก็ไปเคารพเกจีอาจารย์ทั้งหลายซึ่งไม่ใช่สารณะเลย เราไปดูว่าโอ๊ยท่านคนนั้นมีฤทธิ์มากมีอะไรมากไม่ใช่สาระในพระศาสนายิ่งเห็นฤทธิ์เห็นอิทธิฤทธิต์ต้องไปเห็นโทษของสังสารวัตรนถึงจะชัดนี่เข้าใจเนาะประการต่อมาก็คือว่าอะไรเจรณะเนะาะจรณะเนี่ยก็แปลคําว่าเจารณ ะ, ะก็แปลว่าการไปหรือการเที่ยวไปก็ได้หมายถึงความประพฤติ ความที่พระบรมศาสดาเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยความประพฤติด้วยการปฏิบัติการที่ประพฤติการปฏิบัติของพระองค์นั้นบริบูรณ์โดยไม่มีความตกขาดตกบกพร่องทั้งจารณะของพระบรมศาสดาก็มีศีลเนาะมีศีลศีลในที่นั้นก็คือศีลสัสมัตทางไงถึงพร้อมด้วยศีลเนาะถึงพร้อมด้วยศีลเขาจารณาความประพฤติปฏิบัติครอปฏิบัติเป็นหนทางเอามาล้วล่ะมรล้นิพาน องค์จดนะของพระองค์บริบูรณ์ตรงนั้นศีลและสัมปทาแรกก็คือปฏิโมกทั้งวรศีลนั่นเองปฏติโมกสังวรศีลสํารวมในพระปาติโมกเป็นไล่ ย, ยาวเล ย, ดยเดี๋ยวนี้ใช่ไหมไล่ถึงขนาดว่าสํารวมในพระปาติโมกถึงพร้อมด้วยอาจาระและโคจารมีปกติเห็นภัยในโทษแม้น้อยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายอะแล้วคําว่าสมาทานสมาทาน วันนี้วันพระเนาะคำว่าสมาทานอยู่ในศึกขาบททั้งหลายสมาทานศึกษาในศึกขาบททั้งหลายสมาทานยังไงตันชากับหมู่วิสุงวมยังพันเตวิสุงวิสุงหลักนัทายะติสรณีนาสนะฮะอัถศีลานิย า, ามหมาย่างนี้ป่ นี่คือสมาทานหรือเ่าเราไปเข้าใจคําว่าสมาทานแคบมากคิดในใจได้ไหมไม่ต้องเปล่งวาจาได้ไหมฉะั้นคาว่าสมาทานเนี่ยเปล่งวาจาคิดในใจน้อมระลึกเอามาไข่ครัวเอามาตรึกเป็นเรื่องของสมาทานไปเลยตั้งใจบ่อยๆระลึกเอาศีลมานั่งทบทวนเดี๋ยวนี้ก็คือสมาทาน ว่าจะไม่ให้ล่วงละมืดว่าจะรักษาให้ดีไม่ให้ขาดไม่ให้ทำลายเนี่ยแล้วมาตรวจสอบทุกๆเวลาเระลึกเรามาตรวจสอบรา ล, ลึกกรมาตรวจสอบเนี่ยตอนนี้ศียังเหลือไหมถ้ายังไม่เหลือสมาทานสมาทานย้ำว่งจะไปอยู่แล้วนี่ไม่ได้ต้องให้ให้บริสุทธิ์เอามาขัดกราวไปเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเขาเข้าใจชัดเอางี้เออ มีเงินน่ะเนีเราเก็บเงินไว้แล้วต้องคอยหมั่นตรวจสอบบ่อยๆเมื่อเหลือเท่าไหร่ตรวจสอบไหมอาไมตรวจสอบ น, นอย่างนี้เขาเรียกว่าคนดูแลทรัพย์ไม่เป็ น, นใช่ไหมคนเลี้ยงโคอ่ะเวลาเอาโคออกไปหากินนะเวลาไปนั่งแล้วโคมันก็กินหญ้าอยู่ แล้วข้างๆที่โคกินหญ้าอยู่มันมีข้าวของชาวบ้านเขาทำยังไงต้องคอยถือไม้คอยต้อนอยู่เลยไหมคอยคอยคอยต้อนไหมฮิวมารีไม่ใช่โดยข้อเท็จจริงเนี่ยถ้าโคไปกินข้าวกล้าเข า, เ, าเขาปรับไหมเขาปรับไหมเขาปรับไหมมันปรับเลยแหละโอโ้โหเป็นโท ษ, โทษไม่ต้องไม่ต้งกินข้าวเขาดูสิ มันต้องถือไม้คอยวิ่งต้อนซ้ายต้อนขวาอยู่นี่แหละแม้เป็นนั่งอยู่ก็ต้องไม่แล้วต้องคอยตรวจดูตลอดเวลาต้องคอยนับโคไหมไ ม, มีกี่ตัวงั้นเขาไม่จ้างหรอกคนเลี้ยงโคเนี่ยคือเขาจ้างมาทีนะไม่ใช่เจ้าของเลี้ยงนะเนี่ยเจ้าของเขาปล่อยโคมาห้าสิบตัวเนี่ยแปลว่าคุณต้องเลี้ยงโคคุณต้องดูแล้วโคต้องไปอ้วนไหมมีอาหารกินไหมแล้ว เ, เข้าคอกนับทุกวันไหม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 ถ้าคนเลี้ยงโคก็ไม่ได้เป็นบรรจโครสนี่ใช่ไหมไม่ได้บัญจโครสไม่ได้รสไม่ได้ดื่มรสของน้ำนมโคหรอกได้แต่เลี้ยงมันต้องมาขยบขึ้นมาอีกระดับหนึ่งดูแลศีลเหมือนคนเลี้ยงโคเมื่อศีลเกิดขึ้นในจิตใจแล้วเหมือนการได้สวยได้กินได้ดื่มน้ำนมของโคนี่เราได้ดื่มได้มีความสุขจากการมีศีลไหมมีไหม ถ้ามันไม่มีเลยเนี่ยมันกลับรักษาศีลแล้วมันนั่งทุกใจกันอยู่เนี่ยมันอะไรล่ะเพราะศีลเนี่ยมันประกอบกับโสมนัสกเวจนากับอุเบกขาในมหาอุศนศีลมันอยู่ตรงนั้นนี่รักษาศีลแล้วมันนั่งเศร้าหมองอยู่เนี่ยอันนี้มันอะไรแล้วมันผิดแล้วแสดงว่าศีลมันไม่เกิด ว่าศีลไม่เกิดกุศลศีลไม่เกิดมันก็อากุศลนัน่นสิมองเห็นไหมละ่ะแค่ศีลเนี่ยคนก็เดินไม่ออกแล้วน่าจะทํากันยังไงนี่นยน่าจะทํำยังไงพวกเก่าวทําทั้งหลายก่อ น, นีน่กลัวศีลนัล่นเองกัวลป์อีลนั่นเอง ก็อยไปดูมันที่แค่วันเดียวก็แค่วันเดียวแค่นั้นแหละ ก, นนนนก็นอนข้างล่างก็ได้ <c oughs> มันไม่ยากหรอกวันนี้เท้าส ก, กะท่านให้เท้าจากตัวมหาราศมาตรวจ ด, ดูสัตว์โลก <c oughs> วันสิบห้าค่ำแล้วก็รักษาได้นี่แล้วก็อยู่มาจนจะชีวิตเราจะไปอยู่แล้วใช่ไหม ก็ลองถือมั่งสิมันเห็นจะเป็นไรเลยมันไม่ใช่หนักเหมือนกับแบกกระสอบก็บข้าวสารนะมันเรื่องเดียวกันนะมันเป็นบุญทั้งนั้นเป็นอริยเราก็อย่าไปเราก็อย่าไปผิดมันสิมันจะไปยากอะไรของมันไม่ทํายากสักเมื่อไหร่ใช่ไหมศรัทธามีไม่ละมันอยู่ตรงนั้นถ้าศรัทธามีไม่ต้องไปกลัวมันใช่ไหมหนักกว่านั้นยังมีเลยคนสองร้อยกว่าข้อก็ยังเอาได้ยอาอยู่ ก็แค่สิบข้อแปดข้อเก้าข้อเอาไว้อยู่อ่ะอชีวิตมีแค่นี้เองถึงบอกว่าไงบอกว่าถ้าเราเรายังไม่รู้จักอานิส ง, งส์ของศีลเนี่ยถ้ารู้จักเราอยากต้องการศีลมากกว่านี้เพราะถ้าเรารู้ว่าศีลมีคุณมีประโยชน์นั้นศีลเป็นที่พึ่งศีลเป็นสารณะศีลเป็นที่สงบใช่ไหม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 ศีลนี่เป็นอริยทรัพย์เป็นทรัพย์เป็นทรัพย์ที่ประเสริฐเป็นทรัพย์ที่เป็นสารณะเป็นทรัพย์ที่เป็นที่พึ่งศีลน่ะเป็นธรรมังสารนังกฉามินะเป็นไหมศีลเป็นธรรมังสารนังกฉามิไหมเป็นเออศีลน่ะเป็นธรรมังสารนังกฉามิเห็นไหมศีลน่ะเป็นธรรมังสารนังกฉามิ ข้าพเจ้าขอถึงว่าทำว่าเป็นที่พึ่งเป็นที่ระลึกเนี่ยทีนี้ถ้าศีลไม่มีอยู่ในกระแสของขันแต่แล้วเนี่ยมันจะมีมีสารณะได้อย่างไรสารณะล้วก็ร่วงแล้วศีลเนี่ยเป็นธรมังสารนังกระฉามินี่คนก็ไม่รู้สารณะไม่รู้เครื่องกาจัดภยัยไม่รู้ที่พึ่งไม่รู้เป็นที่ระลึกเป็นเครื่องกาจัดภัยได้จริงตลอดชีวิต อจชาตะเคปานุเปตังบุตรังสารนังกัจชามีนะฮะตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงวัฒน์ธรรมขอถึงวัฒสงฆ์เนะี่ยใช่ไหมถ้าหากเรเข้าใจอย่างนี้เนะี่ยแต่ก่อนเนะี่ยอนุมาเนี่ยเข้าใจว่าศีลเป็นภาระมาก แต่เดี๋ยวนี้จึงรู้ว่าเราจะปลอดภัยไม่ได้เลยถ้าไม่มีศีลเราจะไม่มีเครื่องกําจัดภัยเลยเราจะไม่มีที่พึ่งเลยเราจะไม่มีสารณะเลยใช่ไหมฉะนั้นเราบอกว่าธรรมังสารนังก็ะฉามีนะ่ะใช่ไหมนั่นแหละคือศีลนั่นแหละเป็นสารณะเป็นเครื่องกําจัดภัยได้จริงใช่ไหมเราไม่รู้ไง เนี่ยเห็นไหมตาิีกขวบแล้วใช่ไ้ยไม่รู้ว่าศีลเป็นธรรมังสาระนังก็จฉามีเอาสิเนี่ยเอาสิเนี่ยนีเนี่ย ค, คือส่วนปริยัติก็ใช่ส่วนปฏิบัติก็ใช่ใช่ั <Bueno> ้ยส่วนเบื้องต้นก็ใช่เสื่ส่วนท่ามกลางก็ใช่ส่วนที่สุดก็ใช่ um, ที่สุดจริงๆศีลไปรวมในอาราธมักไหม <Bueno> ไปรวมที่นั่นไหมศีขาสามไปรวมที่นั่นไหมแล้วเป็นธรรมมังไหม Spy? เนี่ยเบื้อ <Bueno> ง <Bueno> <Bueno> ต้นก็เป็น <Bueno> ในขณะที่พูดเรื่องศีลก็ยังเป็นเลยส่วนของปริัติ ก็ทำมัง่งในส่วนที่กําลังปฏิบัติเป็นไปอยู่ก็ทำมังในส่วนของปฏิบัติเอาสิในส่วนประชุมกันในการกําจัดกิเลสก็เป็นทำมังเอาสิแล้วอะไรเราไม่เป็นท่า น, นถ้าเราเห็นคุณของพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จริงๆเนี่ยเราจะรู้เลยว่าสารณะของเราแท้ๆเลยศีลเนี่ยอันนี้ไม่โทษโยมหรอกโทษผู้บอก ไม่ยอมบอกโยมนั้นส่วนหนึ่งใช่ไหมทีนี้ทีนี้ปัญหาอีกส่วนหนึ่งก็คือพระก็นึกว่ายอมเข้าใจพอบอกไปแล้วเยอะบอกนายอื่นไปแล้วเนี่ยมันต้องบอกทุกนายเลยเนี่ยเท่าเท่าทีสังเกตเนี่ยอันนี้ขนาดอยู่ในแวดวงพระธรรมนันเนี่ยนี่เขียนตําราผลิตเลยนะเนี่ยเพราะได้ยินคํานี้ถึงบอกตกใจอะตกใจเลย ไม่เป็นไรครับุญในนียไม่ตายก่อนเนอะยังไม่มีโอกาสรู้นะครับอ่านี่คิดอย่างคนบหมานเลยนะเออได้รู้แล้วเราจะได้เข้าถึงพระธรรมของพระพุทธเจ้าโดยการมีศีลเนาะเป็นสาระเป็นที่พึ่งเป็นเครื่องกำจัดภัยได้จริงไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ ไม่ได้ไม่ได้ไปคิดอย่างนั้น ท, ท, ที่จริงอาจารย์บอกตลอดเลยเนาะบอกไม่ใช่ไม่ใช่ก็อบอกมาตลอดใช่ไหมบอกให้รักษามาตลอดใช่ไหมบอกมาตลอดแต่ว่าก็ไม่รู้จะบอกอยังไงก็บอกบอกท่านบอกอย่างนี้เออใช่นี่คือสารณะของเราเป็นสารณะคำว่าสารณะคือที่พึ่งคือเครื่องกาจัดภยัยกาจัดทุกข์ เราไม่มีอย่างอื่นเแมนดี่พึ่งลูกหลานไม่ที่พึ่งทรัพย์สมบัติภายนอกไม่แม่ที่พึ่งได้แค่ชั่วขณะหนึ่งหนึ่งแต่สาารณะที่แท้จริงคือเนี่ยพุทธทางธรรมมังสาารณะเห็นไหมพอพุทธว่ธรรมประสงค์พูดไปแล้วใช่ไหมไปไปดูไม่อยากฉายซ้ำอีกพุทธคุณอีกแผ่นหนึ่งเดี๋ยวก็ถ่ายอัดให้ใ ห, ให้ให้กับโยมไป เอาไปฟังเพราะพูดคำแล้วว่าเชื่อมโยงยังไงโดยโดยสภาวะปปะะมัตเพราะเดี๋ยวก็จะวนอยู่กับเรื่องเดิมๆนี่แหละนี่อนมาเลยเสียหลักอยู่กันอย่างเงี้ยใครไปก็วนเรื่องเดิมวนเรื่องเดิมเงี้ยไปไปเรื่องอื่นไม่ได้สักทีเลยหนึ่งเนี่ยนะนี่เข้าใจนะอะ ต, ต่อไปก็นี่คือศีรสัมปทาก็คือว่าปฏิโมกสังวรศีลเนาะ ถึงพร้อมโดยอาเจาและโคจรมีปกติเห็นภัยในโทษแม้เพียงเล็กน้อยก็เป็นภัยสมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายเออสมาทานอยู่ในสิกขาศึกษาสมาทานอยู่ในในสิกขาบทอยู่เนี่สมาทานศึกษาอยู่สมาทานศึกษาอยู่ในสิกขาบททั้งหลายศึกษาสิกขาสิกขาสิกขาไม่ใช่คำว่าสมเนียกก็ได้ไม่ใช่คำว่าสิกติ สำเนียกก็ได้ศึกษาก็ได้ใช่ไหมและอีกคํานึงแปลว่าอะไรถ้าภาษาโบราณยิงก็ใช้คําว่าสำเนียกสำเนียกในกุศลศีลศึกษาในกุศลศีลเพียรพยายามในการเอากุศลศีลมาเกิดขึ้นในใจให้ได้นี่เขาเรียกสมาทานถ้าหากหายไปดึงกลับมาเข้าในใจให้ได้หายไปดึงกลับมาเข้าในใจให้ได้ พูดอย่างเนี้ยให้เข้าใจอธัธถะอะไรลึกใ ห, ให้เกิดให้ได้ให้เกิดในใจให้ได้ถ้าศีลเกิดสังเกตตรงไหนศีลเป็นปฏิบักษต่อความโกรธนะสมาธิเป็นปฏิบัติต่อความโลภปัญญาเป็นปฏิบักษต่อความหลงเนาะไอศิขาสามมันจะเดินได้จากการดูแลศีลอย่างไงนะเอาศีลสมาธิปัญญาเนาะเพราะศีลไม่เกิดสมาธิไม่ต้องพูดถึงปัญญาจบเพียเลยเนาะ ฟังถึงนี้เกิดปัญญาเกิดปัญญาแล้วจะได้ไปดูแลศีลได้ถ้าไปตรวจสอบดูแล้วตอนนี้ไม่มีศีลใช่ไหมเอาปัญญาแหละไปไปดึงศีลมาเข้าสู่ใจนะเอาปัญญาไปเอาข้อศีลมาเข้าใจไหมเอาไปดึงก็ไม่เกิดเพราะที่ใจมีศีลแล้วกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเป็นยังไงอากายก็สุดเิตวิจีก็สุจรฉิตอาชีพบริสุทธิ์ไหมอาชีพก็บริสุทธิ์นี่มองเห็นไหม มันก็เดินยังไงอย่างผู้มีศีล evet น e. ั่งยังไงอย่างผู้มีศีลใช่ไหมนอนยังไงอย่างผู้มีศีลยืนเดินนั่งนอนยังไงอย่างผู้มีศีลพูดยังไงอย่างคนมีศีลขยับเขยื่อนขค้นกายยังไงอย่างผู้มีศีลมองยังไงอย่างคนมีศีลมองฟังยังไงอย่างคนมีศีลดมกลิ่นยังไงอย่างคนมีศีลลิ้มรสยังไงมีศีลสัมผัสยังไงมีศีลคิดนึกยังไงอย่างคนมีศีลนี่อินทรีย์สังวรก็เริ่มมาปิดปุ๊บป็นนิทรีย์สังวรศีลเลย มองเห็นไหมมันเป็นอย่างงี้นี่เราได้ทำมังสารนังกระฉ า, า, ามีแล้วนี่ให้พระทำนี่เขาเรียกลับศีลแล้วต้องเอาไปให้เกิดได้จริงๆเอางี้นะไปรับเงินจากพ่อแม่พ่อแม่ให้เงินยมบารีไปเอาลูกเลยเอาเงินไปสองร้อยไปลงทุนเนาะพ่อแม่ให้ตังไปปุ๊บเอาเงินสองร้อยไปไปลงทุน พอรับสองร้อยไปแล้วเอาไปทำอะไรเอาไปลงทุนให้มันงอกเงยใช่ไหมนี่ก็เหมือนการรับศีลจากพุทธเจ้าไปเอาสีลห้าไปเอาสีลแปดไปเอาศีลสิบไปสองร้อยยิบเจ็ดไปเอาไปทำให้มันเจริญเอาไปลงทุนนั่นแหละไปเดินยังไงไปยืนยังไงไปนั่งไปนอนอยังไงให้กุศลสีนน่ะมันพลังพลูนี่เขาเรียกว่าไปบริหารศีลเขาจยัง ทำศีลให้มีกำลังเพื่อจะเป็นปัจจัยแก่สมาธิและปัญญาเขาทำกันอย่างนี้ที่มารับศีลเนี่ยนี้มันรับแล้ววางแผ่วางแผกั น, นเนี่ยเนี่ยล่วงวมนแล้วเนี่ย ก็ อ, อย่างเงี้ยอย่างที่ยกตัวอย่างเนี่ยเอาเงินไปสองร้อยไม่ใช่มาดูอีกวันมันหมดไปซะแล้วหรือมันไม่งอกเงยเป็นเงินพันเงินหมื่นเงินแสนเงินล้านไปเป็นมหาเศรษฐีอ่ะอันนี้ท่านต้องการให้ศีลไปเนี่ยเพื่ออะไรเพื่อจะเอาศีลนั้นเป็นปัจจัยกันนู้ดบรรลุนิพพานเนี่ยแล้วตอนนี้บรรลุอะไรกันบ้างหรือยังเนี่ยบรรลุกันได้ยัง ที่ปัญหาก็อย่างที่บอกไนงะบอกว่าบางทีก็คนเลี้ยงโคมันจะไม่ได้ประโยชน์จากการเลี้ยงโคมันก็โจนอยู่นั่นแหละเมื่อไหร่เมื่อไหร่เจนแก่แล้วก็ตายไปก็อาชีพเลี้ยงโคนั่นแหละไม่ใช่พุทธประสงค์เลี้ยงโคมันต้องได้ดื่มน้ำนมโคสิ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 สักหมื่นครั้งก็ได้คือการระลึกได้นะ นั้นตรงนี้เ็าเรียกว่าสีราสัมปทาแล้วก็อินทรีสังวรก็คือปิดบาปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนะาะสำรวมนั่นเองปิดอภิชาและโทมนัสโพชนเนมตันยุตาก็อะไรรู้จักประมาณเนาะในการบริโภคหรือการพิจารณาแยะแยบคายแล้วก็บริโภคนั่นแหละชาคลิยานุโยกประกอบหนึ่งเนืองซึ่งความเพียรเป็นเครื่องตื่นเสมอ ไม่ยินดีในการนอนมากนะแม้จะนอนก็ทรงกําหนดไว้ในใจในเวลาที่จะตื่นเป็นต้นแล้วก็มีศรัทธาศรัทธาตรงนั้นก็เป็นชื่อของในพระรัตนตรัยก็คือเป็นกุศลธรรมหิลิโอจปะเป็นพระหูสูตรตนี่พูดไปแล้วเนาะมีวิริยะปารบความเพียนละกุศลธรรมมีสติประกอบด้วยสติปัญญาเครื่องรักษาตนระลึกได้ตามระลึกได้เป็นต้น แล้วก็มีปฐมชาญ ท, ทาุติยชารต์ตธิฌา์จตุทธิานเนาะเป็นต้นนี้เขาเรียกว่าจรณนะทีนี้ในการแบ่งในจจรณะมีสิบห้าเนี่ยนะทเจ็ดประการก็คือสธาสติหิริโอตปะวิริยะภาหุสัจจะและปัญญานี่รวมเป็นพระสัตธรรมเจ็ดประการนี้เป็นธรรมของสัตว์บรุษซึ่งเป็นผู้สงบจากบาปอากุศลธรรมทั้งหลาย การแสดงพระสัตวธรรมเจประการนี้เป็นการแสดงแบบกลางๆทั่วไปส่วนข้อธรรมอีกสนะี่นั่นคือสีรสัมปทาอินทรีย์สังวรโภชเนมะตัญยุตาและชาคริยานุโยกเนี่ยจะเป็นองค์ประกอบของความประพฤติรวมเป็นสิอนี้ท่านจัดเป็นแผนกหนึ่งส่วนฌานสี่มีปฐมฌานทุเติยฌ า, านตาเตียฌานเจริญฌ า, านเนี่ยรวมกันอยู่เป็นเจรณาสิบหด้วยแต่จัดไว้อีกแผนกหนึ่งใช่ไหมในบทพุทธคุณที่บอกว่าพระองค์นั้นเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาเจรณนาะ วิชาสามหรือวิชา8ตลอดถึงเจรณะรวมไปเสร็จเป็น15ข้อแม้พระอริยาสาวกทั้งหลายก็อาจจะมีได้แต่การถึงพร้อมได้วิชาและเจรณะของภาษาวกไม่เหมือนอย่างพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นวิชาและเจรณะนั้นเป็นผู้บริบูรณ์เป็นผู้สมบูรณ์ด้วยวิชาและเจรณะจริงๆวิชาเพราะอาจถว่าได้สิ่งที่ควรได้ก็คือได้ตามความเป็นจริงดังที่ได้กล่าวเนาะ นั้นวิชาก็คือทําอารมณ์ของตนให้ปรากฏก็บอกว่าเพราะเป็นผู้โดยงถึงพร้อมด้วยไม่เหมือนกับสาวกทั้งหลายเป็นผู้ไม่ถึงพร้อมดังที่ได้กล่าวว่าในอัมพัทสูตรเป็นต้นเนี่ยก็ตรัสในเรื่องของมโนมยิทธิเป็นต้นเหล่าเนี้นะทีนี้ในพินยาหกก็ได้แก่พิญยาห้ามีอิทธิวิธีเป็นต้นแล้วก ำ, กำหนดอาสวะขย้ายยานเป็นที่สุดเนาะก็ถือเอาวิชาสามและ ว, วิชาแปดในพระสูตรบัณฑิตก็เห็นพึงเห็นอธิยาศัยของเวนัยสัจ สัตธรมเ็ดังที่ได้กล่าวมาแล้วเนี่ยศรัทธาความเชื่อหิริความเกลียดกลัวบาปโอตะปะเออหิริความละอายโอตะปะความกลัวพระหุสจะเป็นผู้มีสุดต่ำ ม, มากวิทยาความเพียรสติก็เลลึกได้ปัญญาความรอบรู้ถึงพร้อมในตรัสไว้ภิกษูตในศาสนานี้เป็นผู้มีศรัทธามีหิริมีโอตะปะมีเป็นพระหูสูตรเป็นผู้มีความเพียรนันปารลบแล้วเป็นผู้มีสติเข้าไปตั้งมั่นแล้วมีปัญญาดังนี้นี่คือพระศัตธรรมฌานสี่ก็มีปฐมฌานเป็นต้น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 ทีนี้สิกขาสามเนี่ยนะเป็นข้อปฏิบัติที่จะทำให้สัตว์นั้นบรรลุพระนิพพานเป็นข้อปฏิบัติที่จะทําให้สัตว์นั้นพ้นจากสังสารวัฏใช่ไหมอาจจะมองไปในส่วนของโพชฌงเจ็ดบ้างอริยมรรคมีองค์แปดบ้างสติปัฏฐานสมปัติฐานอิธิบาทอินทร์สพระลพโชงุโมกข์ก็อยู่ในกลุ่มของจรณะนี่แหละเนาะทีนี้การถึงพร้อมได้วิชาและเจรณนะในสาวกนั้นไม่สามารถมีได้ดังที่ได้กล่าว ความถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะนั้นไม่เหมือนพระพุทธเจ้าเพราะพระพุทธเจ้านั้นนะเป็นสัพพัญยูวิชาที่เป็นเหตุถึงการสิ้นอาสวะก็ทําให้พระพุทธเจ้านั้นเป็นสัพพัญ ย, ยูเนาะการถึงพร้อมด้วยวิชาและของเจรณะของพระพุทธเจ้านั้นทรงประกอบด้วยพระมหากรุณาได้เต็มอยู่เขาบอกว่าความที่กรุณาพรหมวิหารเป็นธรรมที่นับเนื่องอยู่ในเจรณะธรรม อาสในเจริญาธรรมสิบห้าเนะี่ยมีกรุณา น, นี้นั้นด้วยภาวะที่ยังลงในฌานทั้งสี่ใช่ไหมในฌานสี่มีกรุณาอยู่ในนั้นด้วยปฐมฌานทุติยฌานและกรุณาพรหมวิหารนั้นมีภาวะไม่ทั่วไปด้วยอำนาจหึ่งกรุณาสมาบัติทีนี้กรุณาสมาบัติได้มีอยู่ในพระผู้มีพระภาคเจ้าพุทธเจ้ามีมาหากรุณาสมาปฏิยานเนาะการทรงหลีกเลี่ยงความฉิบหาย ความวิบัติแล้วก็ชักจูงสัตว์ให้ทั้งหลายเข้าหาประโยชน์ถามว่าการที่พระบรมศาสดานั้นที่บอกว่าหลีกเลี่ยงในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์แล้วก็ให้สัตว์ทั้งหลายออกหรือหลีกเลี่ยงจากสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์ชักนําสัตว์ทั้งหลายให้เข้ามาสิ่งที่เป็นประโยชน์หรือชักจูงสัตว์ทั้งหลายให้เข้ามาในสิ่งที่เป็นประโยชน์โดยเฉพาะน้อมให้สัตว์ทั้งหลายเข้าถึงปรมัตถประโยชน์ประโยชน์ที่สูงสุดคือความสิ้นทุกเนี่ย เว้นจากพระปัญญาแล้วย่อมมีไม่ได้ชั้นใดการทรงรู้ประโยชน์และความวิบัติของสัตว์เหล่านั้นเว้นจากกรุณาของพระาศาสดาก็ย่อมมีไม่ได้เหมือนกันชั้นนั้นฉะนั้นบุทรเจ้านั้นเป็นผู้มีพระปัญญาและพระมหากรุณาดุดห่วงมหานนกพระปัญญาและพระกรุณาทั้งสองจึงมีกิจร่วมกันทีเดียวในกิจทั้งสองในธรรมทั้งสองเหล่านั้นความที่ ธรรมชาติใดเป็นประธานเพื่อความแสดงความธรรมชาตินั้ น, นบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นทรงรู้ประโยชน์และความวิบัติของสัตว์ทั้งหลายเนี่ยด้วยความเป็นสัพพัญญูดังนี้บอกว่ายาท่าตังวิชาเจารณาสัมปันโนตังนั่นเป็นนิบาตนะว่าท่านพูดอื่นพูดถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณะก็ย่อมชักจูงฉันใดแม้พุทธเจ้าก็ะฉันนั้นท่านก็เลยกล่าวบอกว่าอันตันตะปาทยโยที่บอกว่า ที่บอกว่าท่านถือเอาบุคคลที่ทําผู้อื่นให้เดือดร้อนและบุคคลที่ทั้งสองฝ่ายให้เดือดร้อนที่ปัญหาก็ว่าตอนนี้ว่าพระพุทธเจ้านะั้นเนี่ยบอกนี้เป็นข้อปฏิบัตินะว่าพูดถึงพร้อมได้วิชาจารณะพูดถึงพร้อมได้วิชาจารณะอย่างพระาศาสดาหรือพุทธเจ้าเนะี่ยเป็นเหตุด้วยส่วนเดียวแห่งการปฏิบัติชอบของสาวกของทั้งหลายเพราะความที่าศาสนาเนี่ยาศาสนะพรหมจาร์คือศิกขาสามเนี่ย เป็นพระธรรมที่นำสัตว์ออกจากวัฏทุกขมีชาติทุกข์ชราทุกข์มรณะทุกข์เป็นต้นใช่ไหมก็คือว่าการถึงพร้อมด้วยวิชาและเจรณนะด้วยการถึงพร้อมด้วยวิชาย่อมเป็นอันศาสดาที่菩าสดาเป็นผู้เป็นใหญ่ในทางปัญญาเนี่ยก็หมายความบอกว่าด้วยการถึงพร้อมด้วยเจรณนะเป็นการประกาศถึงความที่พระ菩าสดาเป็นใหญ่ด้พระกรุณาเอะไรเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยถึงพร้อมด้วยวิชานั้นประกาศถึงอะไร ประกาศถึงที่พระบรมศาสดาเป็นใหญ่ในทางปัญญานะไหม ว, ว่าในบรรดาวิชาแปดวิปัสนาญาณอิทธิวิทะมโนมยิทธะที่ประสตะิปุเพนิวาสานุติยานจุดตัวและอาสวัคยายานมีใครถึงพร้อมเท่าพระศาสดาไหมฉะนั้นการที่พร บ, บอกว่าพระพุทธเจ้านั้นถึงพร้อมด้วยวิชานั้นเป็นการประกาศพระปัญญาคุณทีนี้ในจารณะมี ศีลอินทร ส, สังวรโภชฌีมัตตัญญาชาครลยานุยกสถาหิริโอตตปะพู้หุสัจจวิริยาสติปัญญาและก็ปทมชานทุติยชานตติยชานจตุทชานในจรณาส5บเนี่ยที่พระพุทธเจ้าถึงพร้อมด้วยจรณานั้นเป็นการประกาศความเป็นศาสดาพูดถึงพร้อมด้วยในทางพระมหากรุณาเห็นไหมว่าอ๋อวิชาถึงพร้อมด้วยวิชานั้นประกาศถึงพระปัญญาคุณ ถึงพร้อมได้เจรณะสิบห้านั้นประกาศถึงพระมหากรุณาธิคุณในธรรมทั้งสองอย่างนั้นน่ะพระผู้มีพระภาคทรงถึงความเป็นพระธรรมราชาด้วยพระปัญญาใช่ไหมพระเจ้าเป็นธรรมราชาไหมเป็นธรรมสามีเป็นราชาเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของธรรมเป็นเจ้าของศรรีล ส, สมาธิปัญญาเป็นเจ้าของสิกขาสาม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 พระ อ, องค์บรรลุถึงความเป็นพุทธะเพราะพระ อ, องค์แทงตลอดพระธรรมแล้วพระ อ, องค์ก็เอาพระธรรมนั้นมาไหมมาเป็นเครื่องกําจัดภัยให้กับล่าสัตว์เมื่อพระธรรมนั้นเข้าสู่กระแสขันของสัตว์สัตว์ก็ทกํากระแสขันตนเองบรรลุจากความเป็นบุรุษชนเป็นอริยะเป็นสังฆะพระรัตนาตาไรัยเลยไปรวมกันอยู่เป็นหนึ่งอยู่ตรงนั้นคือความกำจัดทุกขเคยพูดไปแล้วตรงนี้ยนี่นี้นนะ ทีนี้ถ้ามาพิจารณาอย่างนี้จะเห็นบอกว่าความถึงพร้อมด้วยเป็นธรรมราชาด้วยพระปัญญาแบ่งปันพระธรรมด้วยอะไรพระกรุณาพระองค์แบ่งปันพระธรรมให้เราไหมให้เราสัตว์ไหมทําไมต้องแบ่งถ้าเอาให้ทั้งหมดเรารับไหว้ไหมไม่ไหวรับไม่ไหวเพราะพระธรรมที่พระพุทธเจ้ามีและรู้เยอะไหมสมบัติของพระเจ้ามีเยอะไหม เยอะนี่ปัญญาของเรานะ่รับสมบัติของพระเจ้าได้น้อยก็ขนาดเอาสีนห้ามาบอกโอ้โหมากเงินเนี่ยใช่ไหมเห็นหรือยังว่าเราเนี่ยเป็นสัตว์ที่มีกำลังน้อยอะ่ะไม่สามารถทรงคุณธรรมของพระองค์ได้เลยแบกไม่ไหวจะให้แบกตั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดไหวไหม โอ้ไม่ไหวสามรอสิบเอ็ดไม่ไหวข้อวัดอีกนับไม่ได้ไม่ไหวกลัวอเรียทรับกลัวจะรวยใช่ไหม ท, ทั้งทั้งที่แล้วถามว่าได้อัทธรสบ้างไหมรักษาศีลกันมาได้อัทธรสของศีลไหม ได้ทำมรดไหมได้อัตมรดได้ทำมรดของศีลไหมล่ะถ้าไม่ได้เราไม่เคยบริโภคเบญจโครดเลยรดของน้ำนมโคลเลยเราไม่เคยได้รับความสุขจากการมีศีลเลยอะ่ะทั้งทั้งที่ศีลเนี่ยถ้าถ้าเกิดขึ้นในใจแล้วมันจะทำให้จิตใจเราเกิดปราโมทปีติปฏสทธิความสุข จะเกิดความเอืบอิม่มเอามีศีนไปแล้วเนี่ยเราได้ความสุขอย่างนั้นไหมล่ะไ ด, ไ, ได้ไหมได้ไม่ได้มีสินันได้ความสุขไหมถ้าได้ความสุขมันต้องยิ้มมันต้องผ่องใสมันต้องปลามโมดมันต้องปีติมันต้องมีความสุขมันไม่ใช่มันนั่งเศร้าหมองกันอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคนมีศีนก็ผ่องใส เห็น้ำตาไหลเนี่ยมันไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วเอาใหม่คิดใหม่ใช่ไหมศีลต้องมีความสุขใช่ไหมยะเพราะศีลมันต้องไม่เดือดร้อนคิดถึงศีลแล้วไม่เดือดร้อนพร้อมที่จะตายไหมถ้าคนมีศีลตายแล้วตอนนี้พร้อมตายกันไหมเนี่ยฮะ ทีปัาคือว่านี่ไงบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยแบ่งพระธรรมด้วยพระกรุณาเหนื่อยพร้อมพระพุทธเจ้าทรงเบื่อนหน่ายไหมเบื่อนหน่ายในสังสาระไหมหน่ายในสังสาระไหมสังสารวัตนี่พระเจ้าเบื่อไหมเห็นโทษไหมเห็นด้วยความเป็นโทษเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นหัวฝีเป็นลูกศรเป็นความลําบาก เห็นด้วยอหละนั่นแหละพระปัญญาแล้วเราไม่เห็นเพราะเราไม่มีนี่รวมเห็นแล้วใช่ไหมเพราะเราไม่มีปัญญาปัญญาจะเกิดได้ต้องมีมีอะไรสมาธิสมาธิจะเกิดได้ต้องมีศีลศีลจะเกิดได้ต้องมีศรัทธาอะไรก็ว่าไปเห็นไหแล้วอดกั้น อดกั้นต่อสังสารทุกเพราพระพุทธเจ้าเนี่ยเบื่อหน่ายตั้งแต่ น, นู้นก่อนสุเมธะดาบทอีกสิบหกระสงไขอ่อตอนเป็นสุเมธะดาบทเนี่ยเบื่อหน่ายตั้งสิบหกกระสงไข่มาแล้วคิดในใจเน่ยที่เบื่อหน่ายมาเน่ยเจ็ดเปล่งวาจาในการเบื่อหน่ายอีกเก้าเป็นสิบหกแล้วจะได้ตัดสู้ต่อพระพักเนี่ยฟัง ไม่ถึงสี่บาทคาถาฟังแค่สองบาทคาถาก็บรรลุแล้วปัญญาอย่างนั้นเนี่ยแต่ทําไมต้องอดกลั้นต่อสังสารทุกข์เพราะมีกรุณาเห็นไหมเห็นคุณท่านไหมอดกั้นต่อการเห็ น, หนไม่เห็นเบื่อไม่เบือ่อพ้นทุกข์ได้ไหมพ้นแต่ทําไมไม่พ้นเพราะหมากรุรณาเห็นนั้ยยังเห็นพุทธคุณไหม เห็นไหมเนี่ยกรุณาใครเออนี่กรุนาวว่าพวกเราเนี่ยจะได้มาฟังจะได้มาตั้งใจจะได้พ้นทุกข์แล้วเราเข้าใจพุทธประสงค์บ้างหรือยังเนี่ยที่พูดพยายามไล่เลียงมาเนี่ยเข้าใจพุทธประสงค์อยังที่เราจะไปเรียบเรียงในเรื่องของสังสารวัฏเนี่ยพอเราเห็นตรงนี้มันจะบรรจงเขียนสังสารวัฏ บันจงพูดเรื่องสังสารวัฏในการเห็นโทษเห็นภัยจริงๆแต่นี้มันไม่หยุดแล้วเล่มนี้ออกมาคนอ่านต้องสะดุง้งสะเทือนใช่ไหมต้องอย่างนั้นคนต้องกลัวภัยได้จริงๆ ใช่ต้องอย่างนั้นนั่นแหละเพราะว่าพุทธประสงค์ก็คืออย่างนั้นนั่นแหละก็คือว่าต้องต้องต้องให้เข้าใจว่าใช่ไหมเราบอกว่าพระพุทธเจ้านั้นมีพระกรุณาดุดห่วงมหานพกรุณาในสัตว์โลกต้องอดทนต่อการที่ไม่ยอมพ้นทุกข์ ด้วยกรุณาทรงกําหนดรู้ทุกข์ของบุคคลอื่นนะด้วยพระปัญญาฉะนั้นพระพุทธเจ้า ก, กําหนดรู้ชาติทุกชะลาทุกขมรณะทุกข์กําหนดรู้ความโศกความล่ําไรลําพันความไม่สบายกายไม่สบายใจความคับแค้นใจกําหนดรู้อุปาทานขันห้าวันนี้คือรูปนี้คือเวทนาสัญญาสังขารวิญ ญ, ญาณ นี่คือขันธาตุอยายตนะที่หมุนไปในสังสารวัฏเนี่ยเห็นสัตว์โลกที่กําลังประสบความทุกข์ในสังสารวัฏจากการไม่ยอมขาดลงของกระแสขันธ์อย่างถาวรไม่ปรินิพานอย่างถาวรของขันธ์ธาตุอยายตนะของสัตว์โลกเนี่ยด้วยพระปัญญาด้วยพระปัญญาคุณแล้วก็ทรงปารทรงปารบทรงบําบัดทุกข์ของผู้อื่น บำบัดชาติทุกชลาทุกมรณะทุกเป็นต้นของบุคคลอื่นเนี่ยนะด้วยพระกรุณาเห็นหตรงนี้เราจะได้เห็นโอ้โหใช่ไหมถึงบอกว่าล่ะที่จริงนน เ, รนเนี่ยเวลาสวดเนี่ยทานบารมีศีลบารมีเนคขมารบารมีปัญญาวิริยะขันติสัจจอาท่ฐานเมตตาและก็อุเบกขาใช่ไหมเมตตาการุณามุทิตาอุเบกขาใช่ไห จะต้องมีปัญญากรุณาเป็นตัวเนื่องๆทุกบา ร, รมีเลยเมตตาการุณาเนี่ยนะที่จิงมีครบน่ะยกกรุณามาก็คือพรห ม, มหารครบยกเพราะปัญญามาด้วยเป็นตัวเกื้อนหนุนบา ร, รมีเหล่านั้นทีนี้ทรงบ่ายหน้าหรือบ่ายพระพักต่อพระนิพพานด้วยะลรน้อมหาพระนิพพาน น้อมหานิสระนาวิเวกถามว่าคิดจะปรินิพานเนี่ยเมื่อยี่สิบอสงไขยยิ่งด้วยแสนมหากรัปยอยู่ความคิดของท่านเนี่ยผ่านพระพุทธเจ้ามาเนี่ยห้าแสนหนึ่งมื่นสองพันยี่สิบยี่สิบเจ็ดพระองค์ ผ่านมาเนี่ยยาวนานมากไม่ใช่เราก็ผ่านมามากกว่านี้แต่เราผ่านมาแบบไม่ได้ไม่ได้ใบหน้าเข้าหาพระนิพพานอย่างท่านท่านคิดจะปรินิพพานตั้งแต่ยี่สิบอสงไขที่แล้วโลกใบหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับเกิดขึ้นตั้งอยู่แตกดับ โลกเนะี่ยโอกาสโลกนี่นะดาวแต่ละดวงในจักรวาลนี่เนี่ยเกนนินะกดขึ้นตั้งอยู่ดับรับเท่ากับเลขหนึ่งตามด้วยเลขศูนย์ร้อยสี่สิบตัวไหลแ ต, แตกดับไปทุกรอบหนึ่งรอบใหญ่เง้นเขาเรียกหนึ่งสงไขแล้วกลัวโลกจะแตกดับแต่ละใบเนี่ยเรามาเกิดกี่ล้านกี่โกดชาติโลก นั่นแหละคือแตกดับมาแล้วยี่สิบรอบยี่ประสงค์ไขผ่านพุทธเจ้ามาอย่างยาวนานท่านคิดบายหน้าเข้าหาพระนิพพานท่านจะนิพพานในโลกใบไหนก็ได้เห็นไหมแต่ท่านนิพพานไม่ได้เพราะการุณนต่อใครต่อเราไงเพราะท่านเห็นโทษของสังสารวัฏด้วยพระปัญญา ไบ่พระพักตอบการปรินิพานะนั้นท่านใบพระพักไบ่หน้าในการที่จะเข้าหาอนุปาทานปรินิพานเะนี่ยก็จะดับโดยไม่มีส่วนเหลือก็บรรลุพระนิพานนั้นด้วยพระกรุณาเห็นไหมพระพระในการที่เดินตามสิกขาสามก็กรุณานนัเลยข้ามด้วยพระองค์เองด้วยพระปัญญาใช่นไหมข้ามจากชาติทุกข์ชราทุกมรณะทุกข้ามจากความสศกความลำเลีย ด้วยเพราะปัญญานะี้ยยังคนอื่นให้ข้ามด้วยกรุณาใช่ไหมท่านปฏิญญาเนี่ยว่าเราข้ามได้แล้วด้วยปัญญาเราก็จะมีกรุณาดึงคนอื่นข้ามมาด้วยเราพ้นด้วยปัญญาจะดึงคนอื่นให้พ้นด้วยเราข้ามโอคาได้ ด, ด้วยปัญญาจะดึงกรุณาคนอื่นดึงคนอื่นให้ข้ามโอคะอย่างนี้เป็นต้น สำเร็จพุทธภาวะด้วยพระปัญญาเนอะคือสําเร็จเป็นพุทธเจ้าด้วยปัญญาเนะแล้วก็สําเร็จพุทธกิจด้วยแหละทักกรุณาปพุพันเถรินตาตัาจ่าสาญาเถรดมเดชนังปะเทโสพิคุโอโอวาทางังอัตตะเตเทเ ว, วปันหานังใช่หไหมเป็นต้นเนี่ยการที่สําเร็จพุทธกิจทําแบบบริบูรณ์ถ้าไม่มีกรุณาพราะองค์จะทําอย่างนั้นหรือ ครุณาโปรดสัตว์ให้สัตว์ได้บุญทั้งหลายเนียงั้นบ่ายพระพักสู่สงสารโดยกโดยคราวเป็นพระโพธิสัตว์ภูมิด้วยพระกรุณาไม่ยินดีในสังสารด้วยพระปัญญาถามว่าในกรณีแห่งการบ่ายหน้าตู่สงสารวัดเหล่านี้แหละจะเดินไปในสังสารวัดเพื่อสร้างบา ร, รมีสิบผูกบา ร, รมีสิบไว้ในตนแล้วผูกสัตว์ไว้ในตนในสังสารวัด ด้วยการุณานะบ่ายหน้าเข้าหาสังสารวัตเลยเหมือนไม่กลัวกับสังสารวัตเนะี่ยเอาแต่คนที่จะบ่ายหน้าเข้าหาสังสารวัตได้เนะี่ยผูกบา ร, รมีสิบไว้ในตนไหมแล้วเราเนี่ยไม่ยอมผูกบา ร, รมีสิบไว้ในตนรู้เ่าเวลาเดินสู่สังสารวัตกันทั้งนั้นนี่เนี่ยาทานบา ร, รมีมีไหมเอาถูกนะไม่มีตัณหามาหน้าที่ตีนะถึงจะเป็นทานบา ร, รมีนะ อาศินบารมีมีไหมเนคขมะมีไหมปัญญามีไหมวิริยะขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาเวขาอามีสิบประการไหมมีอุป ป, ปารมีอีกสิบไหมปรมัภิบารมีอีกสิบไหมถ้าจะเล่นกับสงสารวาตัตต้องเล่นอย่างพวกบริษัทเล่นนี่เราไม่ยอมเล่นอย่างท่านน่ะเราไม่ยอมเล่นอย่างท่านเพราะเราไม่มีปัญญาทันถึงบอกว่า เล่นสังสาระที่พระโพธิสัต์ท่านเดินไปในสังสาระเดินไปในสังสารวัตรแบบเป็นบุคคลที่ไม่กลัวสังสารวัตรเพราะพระองค์มีกรุณนาถ้าไม่เดินยาวนานอย่างนั้นก็บ่มบารมีไม่เต็มและเดินยังไงจักไม่ให้ยินดีในสังสารวัตรสาคัญมากเดินยังไง เราบอกว่าสังสารวัฏนี่ยาวนานใช่ไหมถ้ะคุณเดินไปนะ่ะอัศธาของสังสารวัฏเยอะเอาสิถ้าคุณไม่มีปัญญาเนี่ยคุณจะไม่เห็นโทษของสังสารวัฏนะอย่างที่เราเป็นกันอยู่ในสังสารวัฏเนี่ยมันจะไปได้ยังไงเพราะปัญญาคุณมองไม่ทะลุคุณอ่านอัตถะของสังสารวัฏไม่ออกคุณตีโจทย์ของสังสารวัฏไม่ออกคุณตอบโจทย์ของสังสารวัฏไม่ถูกคุณพิจารณาเห็น โทษของสังสารวัฏไม่ได้ในที่สุดจริงๆคุณก็จะไปยินดีในสังสารวัฏเพราะโมหะคุณเยอะนะคนที่จะเดินในสังสารวัฏต้องเดินอย่างพระโพธิสัตว์พระโพธิสัตว์เนี่ยเดินเข้าหาสังสารวัฏเนี่ยในคราวที่พระโพธิสัตว์นั้นนะ่ะด้วยภูมิของมหากรุณานะท่านเดินเลยท่านกล้าเดินเพราะท่านผูกบา ร, รมีสิบไว้ในตนตุมผูกสัตว์ไว้ในตนตุมแล้วเดินให้เต็ม สัตที่เกี่ยวข้องกับท่านมาได้บุญของท่านมาแล้แลวท eh. uh, ่านก็จะได้เพิ่มบารมีท่านถ้าเกี่ยวข้องกับใครเนี่ยทานบารมีเขาเพิ่มไหมศีลเพิ่มไหมเนคขม้าเพิ่มไหมปัญญาเพิ่มไหมวิริยะคันติสัจจะทิฏฐานเมตตาเวหาเพิ่มไหมถ้าพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านฉลาดคิดเกี่ยวข้องกับใครท่านเพิ่มบารมีได้เราเนี่ยไปเกี่ยวข้องกับใครเสียบารมีเนี่ยเสียหายเลยหรือ้ปา ศีนก็เสียทานก็เสียเนคขมะปัญญาก็เสียเมตตาก็เสียเสียหายเพราะเราไม่ได้ไม่ได้บ่ายหน้าสู่สังสารสู่สงสารสู่สังสารวัตรให้ถูกสัตว์โลกเนี่ยเป็นสัตว์ที่เกี่ยวข้องกับสังสารวัตรแต่หันหน้าสู่สังสารวัตรสเบียงไม่พร้อม ไม่มีอาวุธไม่มีไม่มีบา ร, รมีงั้นต้องดึงต้องผูกนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปข้าพเจ้าจะผูกบา ร, รมีสิบอุปปาลมีสิบและประมาธ ร, มรรมบาลสิบไว้ในตนดิแล้วเดินเข้าหาสังสารวัตรมีกรุณาต่อสัตว์แล้วก็ผูกสัตว์ไว้ในตนด้วยกล้าทํำไหมล่ะถ้ากล้าทําคือพระโพธิสัตว์ใช่ไหมแล้วก็ ไม่ยินดีด้วยเอาที่จะไม่ยินดีในขันในยตนาธาธที่กำลังเกิดขึ้นสืบต่อเป็นไปและจะไม่ยินดีของการเวียน่ายตายเกิดด้วยแต่จะยินดีในอนุปาธาปรินญิพานเท่านั้นงั้นต้องผูกอนุปาธาปรินิพานไวให้มั่นอะไรจะผูกกับปัญญาต้องเกิดชัดเห็นโทษของสังสารวัฏไหม เห็นคุณของพันิพาณไหมถ้าอย่างเงี้ยเดินไปเถอะไปอยู่หน้าที่ไหนก็เป็นการไปสร้างบรารมีแม้ไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานยังไปสร้างบรารมีในภพของสัตว์เดรัจฉานไปเกิดในภพของพญา น, นาคก็ไปสร้างบรารมีในภพของพญา น, นาคแม้ไปเกิดเป็นเทวดาก็ไปสร้างบรารมีในภพของเทวดา ใช่ไหมไม่ต้องกล่าวถึงการเป็นมนุษย์เพราะท่านผูกบารมีสิบไว้ในตนผูกสัตว์ไว้ในตนเจแล้วเนี่ยก็บายพระพักสู่สงสารในคราวเป็นพระโพธิสัตว์ภูมิด้วยพระหมหากรุณาไม่ยินดีทรงไม่ยินดีในสังสารหรือสังสารวัฏนี่นะด้วยพระปัญญาโอ้เห็นชัดเลยนะตรงนี้ไงตอบโจทย์คําว่า สังสารวัฏเนี่ยตอบโจทย์แล้วก็ไม่ทรงให้คนอื่นหวาดกลัวด้วยการุณา์มถามว่าแล้วถ้าจะเดินไปในสังสารวัฏเนี่ยจะเดินไปให้เขากลัวเราไหมไม่ได้ต้องเจริญพรมวิหารต้องเจริญการุณา ไม่ให้เขากวาดกลัวไม่ให้เขาสะดุ้งไม่ให้เขาทุกข์เพราะมีกรุณานั่นแหละไม่ให้คนอื่นหวาดกลัวและในขณะอื่นว่านอกจากไม่คนอื่นกลัวตนเองแล้วตนเองก็ไม่กลัวผู้อื่นด้วยพระปัญญาด้วยเอาทําไมไม่กลัวท่านสามารถอยู่กับเสือก็ได้อยู่ในป่าก็ได้ทําไมอยู่ได้เพราะท่านมีปัญญา ถามว่าคนมีปัญญาเนี่ยมองทะลุทะลวงเนี่ยถ้าไปเห็นมหาโจรอยู่ข้างหน้าถามว่าจะกลัวมหาจรไหมกลัวไหมทำไมไม่กลัวมหาโจรผู้นี้เคยเป็นพ่อเป็นแม่เคยมีอุปการะคุณในสังสารวัฏท่านเห็นได้ปัญญาท่านจะไปกลัวอะไร แล้วท่านผูกสัตว์นั้นไว้ในตนแล้วท่านเห็นเหมือนลูกของท่านก็ได้ใช่ไหมเหมือนท่านเห็นพญามารที่กําลังเอาอารวาสท่านเหมือนลูกเหมือนเด็กทาลกที่ยืนอยู่ที่เท้าท่านนี้ท่านไม่กลัวด้วยปัญญางั้นทรงไม่ทรงกลัวผู้อื่นนะด้วยพระปัญญา เมื่อทรงรักษาผู้อื่นด้วยกรุณานะชื่อว่ารักษาพระองค์เมื่อรักษาพระองค์ด้วยปัญญาก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นใช่ไหมฉะนั้นการที่บอกว่าไม่กลัวไม่ให้คนอื่นหวาดกลัวเพราะพระองค์มีมหากรุณาไม่ทรงกลัวผู้อื่นด้วยพระองค์มีพระมีปัญญารักษาผู้อื่นด้วยไรด้วยกรุณาเนะ กรุณาเขารักษาพระองค์เมื่อเมื่อรักษาพระองค์ด้วยพระปัญญาก็ชื่อว่ารักษาผู้อื่นด้วยอันหนึ่งนะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนด้วยกรุณาเพราะพระพุทธเจ้าจะไม่ทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนไม่ทำตนให้เดือดร้อนด้วยพระปัญญาด้วยเหตุว่าสาเร็จความเป็นบุคคลที่ในบุคคลก็คือว่าเป็นผู้ปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตน ประหยัดประโยชน์เพื่อประโยชน์ผู้อื่นปฏิบัติเพื่อประโยชน์ตนและผู้ประโยชน์ผู้อื่นเป็นต้นทรงเป็นที่พึ่งของโลกของสัตว์โลกนี่นะเป็นนาถะด้วยพระกรุณาทรงเป็นที่พึ่งของพระองค์เองเนี่นะนะด้วยพระองค์เนะี่ยเป็นที่พึ่งของพระองค์ด้วยพระปัญญาความที่พระองค์เป็นผู้อ่อนโยนด้วยอะไรพร ะ, พระพุทธเจ้าอ่อนโยนมากพระมหากรุณา ไม่มีความหยิ่งเพราะมีพระปัญญาความอุตสาหะหรือความอนุเคราะห์ที่เกิดขึ้นในสปรปปสัตต์ทั้งหลายเนี่ยทําไมพระพุทธเจ้าต้องอนุเคราะห์จัดโลกนั่นคือพระมหากรุณาแต่เพราะพระองค์เนี่ยนะเพราะทรงไปตามพระปัญญาฉะนั้นจึงมิใช่มีห า, ทาไทยหนในสัตว์ทั้งปวงก็หาไม่ได้มีพระห า, ทาไทยหน่ายในธรรมทั้งปวงด้วยผมบอกว่าพระพุทธเจ้าเนี่ย มีพระไทยไหนในธรรมทั้งปวงนั้นด้วยปัญญาแต่เพราะไปตามพระกรุณาจึงไม่ใช่เป็นไปเพื่ออนุคอสัตท์ทั้งปวงก็หาไม่ได้พระมหากรุณาของพระผู้มีภาคเจ้านะเนาี่ยเว้นจากความสเสน่หาและความโศกชั้นใดพระปัญญาก็พ้นจากอาห า, ก า, า, างการมังการฉันนั้นเหมือนกันบัณฑิตนะ่ยพึ่งเห็นในข้อประพฤตินะอันวิเศษสุดอย่างเยี่ยมก็ชำระการและการให้หมดจดก็ถึงพร้อในวิชาและจารณาเป็นต้นก็บอกว่าถ้าเราเห็นคุณ ของพระประม า, ศ า, ศาสดาอย่างนี้ก็รีบชำระตนให้บริสุทธิ์หมดโจทย์เสียเพื่อจะได้เป็นปัจจัยแก่การที่จะเข้าถึงอนุปาธาปรินิพานเป็นต้นอันนี้ย่อ ๆ, ๆแค่นี้ก่อนเนาะอย่าพึ่งไปขยายเยอะอะต่อไปก็คือสุขโตนสุขโตนี่ไม่เอามากแล้วเดีย๋ยวจะไปถึงบทที่จะสรุปก็คือโลกวิถูใช่ไหม ร, รู้รู้แจ้งโลก ก็คือแปลว่ามีการเสด็จไปงามนี่นะสุขตะนี่นะสุขตะที่ว่าเสด็จไปงามเนี่ยพระพุทธเจ้าเนี่ยคําว่าสุขโตสุขโตเนี่ยเป็นผู้เสด็จไปอันงามสุขโตเสด็จไปสู่สถานที่อันดีงามสุขโตเพราะเสด็จไปแล้วโดยชอบสุขโตเพราะเสด็จเพราะตรัสโดยชอบสุขโตเพราะเป็นการเสด็จไปถึงที่งามนะ สุขโตสูนี่แปลว่าดีแปลว่างดงามคตะก็แปลใช้ในความหมายว่าทางไปเนาะคัาเตทีเตเป็นต้นอะไรการเดินไปการยืนเป็นต้นอะไรเนี่ยพระบรมศาสดาเนี่ยเสด็จเป็นสุขตาเพราะเสด็จเป็นงามเนาะบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์มีได้โดยปราศจากโทษดังที่เล็กงามในที่นั้นก็คือเสด็จไปตามมรรคแปดสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกปฆาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะเนาะ สัมมาชิวะสัมมาวายมะสัมมาสติสัมมาสมาธมมมมมมมมิอริยามรรคมีองแปดเป็นธรรมที่บริสุทธิ์อยู่แล้วเนี่ยคาเตในในการไปทีเตนในการหยุดอยู่เ น, นาะโสภณะก็คืองามภาวะที่งามเพราะเป็นความบริสุทธิ์ภาวะที่บริสุทธิ์เพราะปราศจากโทษเพราะฉะนั้นบริสุทธิ์หาโทษไม่ได้ชื่อว่าการไปการไปมีหลายอย่างนะ แต่คตังคมนนังเนี่ยนะเป็นทางหรือเป็นอุบายทีนี้ท่านขยายบอกว่าแสดงในการไปสู่อะไรถึงว่างามที่สุดไปสู่พระนิพพานคือการเดินออกจากสังสารวัตเดินออกจากวัตฏะเข้าสู่วิวัฏฏะใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกสุขโตเสด็จงามมากถ้าเรายังเที่ยวไปในสังสารวัตอยู่ก็ เ, เรียกว่าไปไม่งาม ใช่ไหมเด็กก็ไปเกิดเป็นเปรตเด็กก็ไปเกิดเป็นสุรากอายเป็นสัตว์เดรัจฉานเป็นสัตว์โลกเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นผมงามที่ไหนหรออันนี้เขาเรียกว่าเดินไม่งามไปไม่งามทวยเจ้าไม่ได้ไปในสังสารวัตแล้วพระเทเจ้านั้นไปแล้วเสด็จไปสู่สถานที่ที่ดีแล้วไปสู่วิวัตต์ไม่ใช่ไปสู่สังสารวัตรเขาเรียกสุขติจริงๆนะเนี่ยใช่ไหมสุกโตเนี่ย เป็นสุกติจริงๆนะจงไปสู่สุขติสุขติเถิดไปสู่ที่ชอบอะที่แบบนี้สิเป็นที่ชอบไปแล้วไม่ต้องกลับอย่างเราไม่ได้ไปกันจริงนะเราลากันจริงไหมะเวลาตายเนะี่ยไปจริงไหมไม่จริงเดี๋ยวก็มาเหรอาบางทีนะแม่ไปก่อนนะลูก ลูกก็ลองให้ยแม่อย่าฟ้าอย่าไปเนยตายปุบเนี่ยมาเกิดอยู่บางทีนู้นเนี่ยแต่ตามบ้านแหละกลับมาแล้วไม่ไปจริงแล้วงามที่ไหนแล้วกลับมาถึงนั้นถ้ามาตายแล้วมาเกิดอยู่ในบ้านควรจะเป็นอะไรจะเข้าท้องใครดีในบ้านเนี่ยก็มีในบ้านแล้วไม่มีใครตั้งครันเลยก็อใบยศาสตร์ทางนั้นตั้งครันรออยู่นะเอาสิอใบยศัต ร, ร์ทางนั้นทําการประสมพันธุ์กันอยู่ตั้งคันรอ ถ้าเราห่วงบ้านนะเราจะกลับมาที่บ้านนะสิเราจะมาเข้าท้องใครเสร็ <c oughs> เลยน่า ก, กลัวไหมล่ะลูกยังร้องไห้ไม่รู้เลยอยอม แ, แม่กลับมาเกิดแล้วนั่นบางที่เป็นจกิเจกเกอจิ้งเกจ้องทักแก๊ะแกะแกะแกะเลจะบอกว่าแม่มาแล้วแม่มาแล้ว <c oughs> ไม่รู้หรอกลูกก็ไม่รู้หรอกอ๋อแม่ไม่รู้หรอกเพลเพลไล่ทรงน้ําตาไหลเลือกนลูกเตียว วิ่งหนีพอมาในสภาพที่น่าเกียดแต่แล้วเป็นงูเขียวอ่ะรู้กลัวไหมเป็นงูเหา่าอ๋อโอ้ยทบตายเลยอน่ากลัวยมนี่ไงไม่สุข็โตรหรอกไปสู่สังสารวัตรน่าสลดใจที่เราเลี้ยงดูปูเสียเข้ามาอย่างเดียแต่พอเราเปลี่ยนพบหนแล้วก็ทบเราตา ย, ยางยมทุบเลยแหละ ก็มีสามีที่ตายไปใช่ไหมแล้วมาเกิดเป็นงูเขียวอยู่ที่บ้านภรรยาเดินเดินโดดใส่โอ้โหทุบตายเลยตายจากนั้นแล้วมาเกิดเป็นสุนัขอีกวนวอยู่ใ น, ในาานะ่ๆยอมเนี่วิ่งพันจะบอกให้เขารู้ว่านี่ไงเล้ารักออายเขาเรือเกินทำไงเอาไป่วงน้ำตายส่งเนียอย่างนี้เป็นต้นเนี่ย ตาทั้งหลายอาจจะภาคจนมาเกิดเป็นลูกในท้องพ่อข้อตอองมาแล้วลึกชาติได้เห็นไหมพอจำความได้ก็เล่าให้ตาฟังร้องไห้กันทั้งตาทั้งหลานออกบวช ไ, ไ, ได้ได้บรรู้ไปแล้วนี่ไงสังสารวัด ใ, ในธรรมบวชมาจำที่มาม่เอ อ, อ ตรงนี้รู้สึกยาของโยมปานีตเนี่ยเอามาเขียนอยู่คณะสายธรรมอ่ะมีมโทรถามโยมปานีตได้นั่นแหละนั่นแหละตัวนี้นั่นแหละสังสารวัตร อ, อ, อ, อือ ต้องสรเสริญใช่ไคชว่าสังสารวัฏเนี่ยมันจะเป็นการิชูพระทแน่นอนแน่นอนใช่ใช่ใครเราเป็นคนเห็นสังสารวัฏใช่ค่ะั้ยคถ้าวไม่ไดถ้าไม่สรงเสริญพระเจ้าแล้วเราจะไปเขียนสังสารวัฏได้ยังไงก็เขียนเขียนไปตามนั้นก็ใช่แต่อันนี้คือขเดียวกันคือตพระคุณใช่ใช่ใช่ ใช่ใชใช่ชี้ทั้งหมดเลยตรงนี้ถึ้งบอกถึงอยากให้เราได้เข้าใจว่าเรายิ่งเข้าใจสังสารวัฏเราจะเห็นคุณของพระพุทธเจ้ามากขึ้นถ้าเราไม่เห็นสังสารวัฏเนี่ยเราจะไม่เห็นคุณของพุทธเจ้าการเห็นสังสารวัฏโดยไม่การไม่เห็นคุณของพุทธเจ้าแปลว่ามันผิดทางแล้วมันผิดทางแล้วมันเดินผิดแล้วการมาต้องการการนำเสนอให้ชัดอย่างนี้ แม้การเจริญกรรมาฐานทุกประเภทนะถ้าไม่เขียนคุณของพระพุทธเจ้านะถามว่าคุณเอากรรมาฐานของใครมาบริหารคุณกลับไปถามใจคุณใหม่ว่าอะไรเกิดขึ้นในใจคุณแล้วคุณผิดทางแน่นอนหรือเปล่าอะไรนะี่นะก็ก็ให้เข้าใจตรงนี้พอเข้าใจตรงนี้มันจะได้ชัดจะไม่ได้ดเคคยิจะททต้องนอบน้อม ไม่ใช่ไม่ใช่ต้องต้องต้องให้เห็นทุกอัถฐะต้องให้เห็นทุกอัถฐะแล้วพยานชนะว่าพระพุทเจ้ามีคุณอย่างไรใช่ไหมทุกคนจะได้เจริญทุกขษัตย์ด้วยในขณะที่เห็นคุณของพระพุทธเจ้าด้วยเพราะพระพุทธใช่เพราะพระพุทธเจ้าเป็นผู้ตรัสรู้สังสารวัตพระพุทธเจ้าเห็นเห็นทุกทุกตัวทุกก็คือตัวสังสารวัตเหตุของทุกก็คือเหตุของสังสารวัต ความดับทุกข์ความความไม่เป็นไปของเหตุของสังสารวัตรความที่สังสารวัตรไม่เดินก็คือนิโรธปฏิปทาถึงนิโรธก็คือมรรคต้องเอาสังสารวัตรมาทําอริยสัจให้ชัดนะต้องนะต้องเห็นถ้าไม่เห็นอันนี้เดินสุขโต ถ้าไปดูโลกวิธูชัดกวนี้อีกอนี่คือรู้สังสารวัตอย่างแจ่มแจ้งไะไปอยู่ในโลกวิธูตรงนั้นเลยจะชัดใช่ไหมงตรงนี้ต้องต้องต้องมองให้เห็นว่าที่ได้ความหมายถึงบอกว่า แสดงเหตุในการไปสู่พระนิาพานนั่นแหละจึงมีคําว่าจริงอยู่นะีพระบรมศาสดานั้นเสด็จไปสู่ทิศอันเกษมทิศที่เกษมทิศที่ปลอดภัยทิศทีบริบูรณ์ที่สุดได้แก่พระนิพพานคําว่าไม่ขัดข้องไม่ขัดข้องกนะ็คือว่าไม่กระทําความขัดข้องแม้ในการไปสู่สุคติด้วยไม่มีอันตรายและป่วยเก่าวไปถึงการไปนอกจากนี้แล้วแต่ว่าการไปสู่ทิศนี้ไม่มีชาติภยัยชร า, าภายัยมรณะภยัย ไปสู่พระนิพพานน่ะท่านนอกจากนั้นเป็นทิศที่มีภัยทิศเหนือทิศใต้ทิศตะวันออกทิศตะวันตกอนุทิศเฉียงทิศเบื้องบนเบื้องต่ำล้วนมีภัยทั้งสิบทิศแต่พระนิพพานนั้นเป็นทิศที่เกษมเป็นทิศที่ปลอดภัยเป็นทิศที่ปลอดโปร่งพ้นจากชาติชราโมรณะพยาธินี่ไปสู่ทิศที่ดีจรงสุขโต สุขโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีใช่ไหมแล้วก็อ๊ไปที่ไหนไปผูป้ไปแล้วไปแล้วดยอัฏถะก็ไม่ถึงฉั้นสุขโตเพราะมีการเสด็จเป็นงามเนาะทีนี้พระบรมศาสดาประทับ น, ะนั้นนางอาสนะเดียวก็เสด็จไม่ประทับขัดข้องคือไม่ติดขัดด้วยมรรคทั้งสี่ถามว่าพุทธเจ้าเวลาบรรลุเนี่ย ท่านนั่งอาสนะเดียวที่รัตนบัลลังไม่มีอาสนะที่สองอยู่เลยนั้นในมรรคทั้งสี่ท่านไม่ขัดข้องเลยอ่ะท่านเดินมรรคทั้งสี่โสดาปิมรรคสกาธาคาวิมรรคกนาคามารรคอรหัตมรรคนี่ท่านเดินคล่องมากท่านเดินคล่องมากเพราะพระ อ, องค์ได้เฉพาะแล้วด้วย อ, าอยํานาจแห่งขีปนาพิญญาตัดรุปเร็วขันใช่ไหม พระพุทธมีพระเจ้าเปรตสุกกานันได้ก็ย่อมนำมาซึ่งประโยชน์แก่การไปทั้งหมดและย่อมนำมาซึ่งสมบัติอันยอดเยี่ยมทั้งหมดและการเสด็จไปนั่นแหละจึงเรียกว่า ง, งามงามมากพุทธิยาประเภทขีปนาวพญญาเนี้ยบรรูุนี่เนอะรวดเร็วมากคล้ายๆว่าจาะการบรรลุมาตั้งนานแล้วเดินเวียนมาตรงนี้ตั้งนานแล้วไม่เข้าประตูนี้มาตั้งนานแล้วเพราะว่าความพร้อมมูลยังไม่เกิด พราะจะเข้าประตูวาคณูเนี่ยต้องเสียสงไขที่ผ่านมาแต่ไม่เข้าเพระพระพุทธเจ้านั้นเสด็จไปอย่างนั้นเน่ะเพราะการที่ท่านบอกว่าสุขโตมีการเสด็จไปอันงามเนี่ยนะสู่ศัพทเนี่ยแปลว่างามเนาะทีนี้สุขาโตเนี่ยเสด็จไปสู่ที่ดีเนี่ยนะไอ้คาว่าดีเนี่ยดีโดยส่วนเดียวนะเพราะเป็นความสุขอย่างแท้จริงเหตุที่ว่ามีความเป็นไปแห่งสัง ข, งขารก็บอกว่ามีความเป็นไปแหงสังขารที่ไม่ดีคือเป็นทุกข์เพราะฉะนั้นบอกว่า พระพุทธภาคเจ้าไปเสด็จเส็จไปสู่ที่ดีเนี่ยคือไปสู่นิพพานที่เป็นอมตะอมตะคือพ้นจากชาติชรลาพยาทีเนาะฉะนั้นบริจ้านั้นนิพพานนั้นเป็นความสุขอย่างยิ่งสัมมาแปลว่าดีการไปที่ดีได้แก่การไปของท่านผู้ไม่ถูกปฏิปัติข้อข่มงามําไม่ถูกราคาโทสะไม่หวนกลับมาสู่ราคาโทสาโมหามานะทิฏฐิวิจิกิชาหีริการนุตตะปะ ได้แก่ไม่กลับมาด้วยอํานาจแห่งความฟุ้งซ่านอีกของกิเลสที่ละได้แล้วเพราะละกิเลสได้แล้วนั้นไม่กลับเข้าหากิเลสอีกส่วนคําว่าเอตังอ่ะประโยคเตนะเตนาเตนมักเคนาปะฮีนะกิเลสสานังปุณะอปัจจักขมานังหนึ่งการไม่หวนกลับมาสู่กิเลสที่ทรงละได้แล้วด้วยมักคือถ้าได้โซดาปฏิมักก็ไม่กลับไปสู่กิเลสของบุรุษชน ไดนาคาได阿拉สกาธาใครไม่มากก็ไม่สู่หันไปสู่กิเลสของโสดาอนาคาก็ไม่หันไปสู่สกาธาอรัฐธรรมา ก, ก็ไม่หันมาสู่นะคาเห็นไหมดีจริงๆสัมมาปฏิบัตินะไม่วิปริตทําให้บรรลุสัมมาสัมโพธิญาณก็ทรงทําประโยชน์สุขแก่โลกทั้งปวงนั้นท่านถึงแสดงบอกว่าปฏิบัติเพื่อการตรัสรู้อันยิ่งใหญ่ได้ภาวะที่นําไปประโยชน์สุขแก่สัตว์โดยไม่มีการย้ำเนี่ย ไ ม, ไม่จำแนกว่าสัตว์นะว่าเป็นใครนะพระองค์ให้หมดเลยนะและอย่างหนึ่งก็คือเสด็จออกจากสัสตตทิฏฐิและอุเฉตทิฏฐิคือความเห็นว่าเที่ยงและขาดศูนย์การไปนะบอกว่ า, าแสดงถึงการไปแห่งปฏิเจนุบาตบอกเสด็จไม่เข้าไป ใ, ใกล้สุขการมาสุขขาลิกานุโยคแล้วก็อัตตกิรมาฐานุโยกเนาะประการต่อมาก็คือการกล่าวดีเนี่ยเออคัมว่ากล่าวดีเนี่ยพุทธเจ้าต้อง สุดยอดจริงพุทธเจ้าเนี่ยในวาจาหประการเนี่ยคำว่ากล่าวดีในที่นั้นหมายถึงบอกว่าที่จริงคําว่าตัตระนี่ท่านโยกโยกอะไรยกสุดตัดฐานเนสุดตัดเสวภาเส น, เนในการกล่าวที่สมควรด้วยในฐานะที่ควรเห็นตัตระนี่เป็นสัตมีวิพัตน์ลงในในอัดลงในความหมายบอกว่าพึงให้สําเร็จนะ คือให้ความหมายพึงให้สําเร็จประโยชน์คําว่าไม่จริงก็คือไม่มีเนื้อความที่จะเป็นจริงอยู่ความที่วาจาจะไม่จริงหรือเป็นจริงเนี่ยก็มุ่งเนื้อความเป็นสําคัญวาจานั้นนะนะมุ่งเนื้อความคําว่าไม่แท้เป็นไวยพจน์ของคําว่าไม่จริงประกอบด้วยอนัตถะก็คือไม่ประกอบไปด้วยอนัตถาก็คือไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เนาะอันเป็นไปในทิฏฐธรรมก็หรือเป็นไปในสัมปรイยภพเชื่อว่าประกอบด้วยอนัตถะอนัตถะคือไม่ประโยชน์นามาซึ่ง คือนำมาซึ่งนัทธะอนัทธะแปลว่าไม่ใช่อัตถะคือเป็นปฏิปักษ์และไม่เป็นอัตถะประกอบไปด้วยอนัทธะเป็นอย่างปีสุนาวาจาพุทธสวาจาสำปปาราป่าเป็นต้นเหล่านี้วจีทุจริตทั้งหลายเป็นอนัทธะไม่มีประโยชน์แต่พระเจ้านี่ยนะวาจาเนี่ยพึงเห็นว่าบุคคลผู้กล่าวถึงคนมีศีลด้วยคําว่าเป็นคนทุศีลเป็นต้นคำกล่าวกล่าวถึงผู้ไม่ไม่ใช่เป็นจันทาน เป็นต้นว่าเป็นจันทานเป็นต้นเนี่ยในวาจาเหล่าเนี้ยนะเขาเรียกว่าเป็นการกล่าววาจาลักษณะอย่างนี้นะพระุทธเจ้าไม่กล่าววาจานี้หรือประเภทที่สองบุคคลผู้กล่าวถึงคนทูศีลด้วยคําว่าเป็นคนทูศีลเป็นต้นกล่าวถึงจันทานว่าเป็นต้นนั่นเองว่าเป็นคนจันทานี่ยด้วยไม่มีวินัยเป็นต้นพุทธเจ้าก็จะไม่กล่าววาจาลักษณะนี้ถ้อยคําแสดงถึงความเป็นสัตว์นรก เช่นพระเทวทัตเกิดเป็นอภัยศัตว์เนี่ยพระเจ้าก็รู้การที่จะกล่าวเนาะคำที่กล่าวในทำให้โลกลุ่มหลงว่าการกระทําปาณาติบาตด้วยยานวิธีจัดอยู่ในประเภทย่อมนํามาซึ่งสุคติเงี้ยพระพุทธเจ้าจะไม่กล่าวคําที่ยุยงถ้อยคําที่ถ้อยคําที่เป็นจริงนะแต่ยุยงให้คนแตกแยกกั น, นพระพุทธเจ้าก็ไม่กล่าวพึงทราบว่าถ้อยคําที่กล่าวก็คือทานศีลเป็นต้นที่ให้เป็นไปในฐานะที่ควร ฉะนั้นพระพุทธเจ้าน่ะตรัสโดยชอบพระพุทธเจ้านั้นสุกตาพาะเว้นจากถ้อยคําที่ไม่จริงตามที่ได้กล่าวตัดแต่คําจริงแท้ประกอบไปด้วยอัตถะคือประโยชน์เป็นที่รักเป็นที่ชอบใจอันชื่อว่าชอบคือดีเพราะเหตุนั้นแหละจริงชื่อว่าดำหลัดของพระพุทธเจ้านั้นน่ะแม้ไม่เป็นที่รักแก่คนบางคนโดยเพียงแต่ถึงคลองแห่งโซตะก็ชื่อว่าเป็นที่รักเป็นที่ชอบใจทีเดียวเพราะสําเร็จประโยชน์คือนํามาซึ่งประโยชน์เกื้อกูลแก่สุแก่สัตว์โลก พระพุทธเจ้าถึงได้นามว่าสุขโตตรงนี้ก็อันนี้จะสี่โมงแล้วเนาะเลยงั้นก็เดี๋ยวเทิยต่อตอนพรุ่งนี้เนาะพรุ่งนี้อย่าพูดในเรื่องของโลกวิทูก็ได้ไม่ก็ต่อได้เลยต่อได้อธิบายให้ได้เลย